ในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นรีนลถูกต้องปฎธภาอารมณ์ที่ข้องงามสมรวมลงนี่ปฏิบัติไม่เผิดชาคติญานุโยคประกอบความเพียรจะเห็นจฉนอนมากนะักข้อที่สองข้อที่สาม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 มันของเกิงแท้ๆการปฏิบัติธรรมได้พบเห็นของเท็จของกก่งของที่มันไม่กิง้งนันก็แล้วก็อยู่ไม่ได้ของที่มันกิง้งก็ใช้ได้จะไปหาอะไรที่ไหนพวกเราเนี่ยน้อ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 ก็ยังเสียเตียยความไม่จริงอยู่เสียเวลาบางทีก็สมมุติบัญญัติก็ยังหลงในสมมุติบัญญัติบัญญัติเอาในรูปในรถในกิ่นในเสียงในอารมณ์ถ้าชอบป้าไม่ชอบถามตามความชอบถาตามความไม่ชอบความเห็นไม่ถูก ให้เกิดความเห็นผิดอยู่เฉยๆก็บัญญัติว่าชอบว่าไม่ชอบอยู่เฉยๆก็ปองแแปเพราะไม่เห็นของเท็ของจริงโดยเฉพาะเห็นความคิดเนี่ยโต้โต้ที่สุดและเนี่ยมีสติอย่างเต็มที่อะไรก็ผ่านมาหมดเหลืออยู่อันเดียวคือความคิด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 เรไม่ทันมันก็ดึงเราไปเป็นฉุบบ้างเป็นทุกบ้างเป็นอะไรได้หลายอย่างเกิดจากความคิดเป็นใหญ่คิดเป็นใหญ่คิตเป็นหวัวหน้าสำเร็จที่คิดถ้าจิตชั่วแล้วโคอยก็ทํามทำอยู่ก็ตามก็ย่อมเป็นไปตามความคิดที่มัน ไม่ถูกต้องเรามีปัญหากับความคิดคืนว่าฝันกลางวันไว้คิด อ, อกม้วนคุ้นคิคดผลผันผันแรงประความคิดหลงเอหลงประความคิดตายก็ตายประความคิดเจ็บก็เจ็บผูะความคิดทุกข์ก็ทุกข์ผความคิดสุขก็สุขผูะความคิด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 ะจะเอะล๋ลองพ่อพูดว่าจะเอะกันต่อหน้าต่อตาจับใต้ไร้ทันคาหนังคาเขาเหมือนกับจับโจรพลายจลภาพหมดเปลือกจับได้ตามทันเหมือนกรรมตามทันเป็นอุตรีก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 มันโจ๋เห็นโจ๋เหล็กได้น้ำนะแต่มันอ่อนแล้วก็เชื่อมแข็งภาว่าความรู้สึกตัวหน่อยมันนิ่มนวลนะแต่มันชนะอะไรทั้งหลายทั้งปวงได้มีความรู้สึกตัวเลยกิเลสจะพันหน้าตัณหาจะร้อยแปด ก็ไม่ต้องกลัวถ้ามีสติรู้สึกซื่อๆเนี่ยต่ว่าซื่อๆเนี่ยเราภาวนาซื่อๆเนี่ยมืนน้ำแง่น้ามันคดแต่น้าไม่ได้คดมันก็ไหลไปซื่อๆของมันเองน้าพองน้าชีน้ำโมน้ําขงน้าเจ้าพยามันคด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 ไม่รูปไม่รสไม่กินไม่เสียงได้กวมซื่อๆจากนี้มันได้จากที่อื่นถ้าไม่มีจิ่งเหนี้ก็อาจจะไม่มีละชีวิตนะ่ะนั้นสุขมันทุกข์มันผิดมันถูกมันได้ชีวิตตรงนี้นะน่าจะมีชีวิตชีวาตรงนี้นนเลยพูดว่าเห็นไม่เป็น เห็นนะสติจะเห็นนะเห็นนะสติจริงๆมันจะมันใช้งานได้คือเห็นลู้เห็น <c oughs> สติจะเห็นเป็นหน้ารอบ <c oughs> ไม่เหมือนหน้าเนื้อ <c oughs> หน้ารอบร <c oughs> อบ <c oughs>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 ถ้มีสติมันจะเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอะไรแล้วชีวิตมันกะเพื่มตะวัาน้ามันไม่มีคว่ากะเพื่มเป็นคลื่นไม่ใช่น้ามันเป็นคลื่นต่างหากน้ามันไม่มีคลื่นสุขมันไม่ใช่ชีวิตทุกข์มันใช่ชีวิตชีวิตวีชีวิตมันไม่เป็นอะไรตอนที่มันทุกข์มันสุขไม่ใช่ชีวิตมันเป็นอันหนึ่ง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 สุขมันก็เป็นช้าอันนี้ไม่เลยไเลยไม่เป็นสุขไปกับความสุขมันเป็นทุกข์ไปกับความทุกข์มีอะไรเก็บให้หมดเลยเกี้ยงออดหลอดกันเข่าปั่นล้านโลราณถว่ามันเคลี้ยงมันจบมันหมดมันชิน้นเหงอนพระพุทธเจ้าอั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 ได้ความเข้มแข็งจากการคือนเดินจงกรมเวลานี้หลงต่อไม่เดินจงกรมย่องย่องเหมือนหมูนะบินเอานะลี้งบิงเอาซกกเดินในที่มืดไม่ให้คนเห็นนะเรามันแก่บางทีวิ่งอย่างนี้แข็งเขอนวิ่ง เดินอย่างนี้วิ่งอย่างนี้สามสิบนาทีแขงเขียนเลยสามสิบนาทีก็ไรสว่างต่เอเกิดแสงสว่างคนเห็นแล้วก็หยุดเหมาะจริงจิงอยู่ในป่าเหมาะสำหรับฝึกตนเหมือนช้างฝึกช้างทวนช่างฝึกช้างตเต็มที่เลยไม่ได้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 รวมสมัครคีของหมู่คณะรวมเพิมเพียงของหมู่คณะโอเนี่ยมันเป็นที่ลาดทำให้เราได้ขึ้นสู่มากผลนี้ผ่านได้เหมือนถ้าเหมือนทางลงเทมันลาดทางขึ้นเทมันลาดมันลาดไปจากไหนไม่ใช่หักตามผ้าด้วยเขา่าลาดลาดไว้ใจดีๆเอาไว้ ไม่เป็นไรเอาไว้อย่าไปเอาผิดเอาถูกบาทงทีลงโทษตัวเองเขี่ยนตัวอเองจนเกินไไม่หลับไม่นอนก็ไม่ดีดาวให้รู้จักใช้ชีวิตของตนเองให้เหมาะให้สมตั้งายไว้ดีๆตั้งกายไว้ดีเราไม่เอาอะไรไม่เป็นไรเราจะทำซื่อๆนี่แหละ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 ตำน้าเพิ็กให้ฉันให้กินก็ดีผงเข้าให้กินต้มเข้าให้กินก็ดีบอกทางการอยู่ที่ไหนให้ความยิ้มเปรกกันและกันก็ดีให้ความเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันถ้เกิดความสะดวกจีนเานี้เป็นมิตรแท้ให้แต่ความสงบร่มเย็น